50 languages. 9 49. Kila. k r d g a l u คุณออกกำลังกายไหมน่นูบ่ฉันต้องออกกำลังกาย โฮดูนานกืสวลปาวิยามาเบโูดีฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับนานูวุนดูกรีดาสังกดาสัดสติยาเราเล่นฟุตบอลนาวูขัลชินดูอาตาอาดุเตเวบางครั้งเราก็ว่ายน้ำเกลวมเมนาวูอีจาดุเตเว หรือเราขี่จักรยานอาถวรนาวาูไซเคลโฮดยุตเตเวมีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเราน้ำมาวูรินา ล, ลีวนดูฟุตบอลไมดานาอิเดเอแล้วก็มีสะไว้น้ำกับซาวหน้าด้วยอัลลีโซนาอีรววัววันโดยีจุโคลาคูดาอิเดเอและมีสนามกอฟ วนดูกาลฟไมดานะสัหนอยเดทีวีมีอะไรดูทีวีอะไรเยนุการ์รมัยเดกําลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้อีกาวันดูฟุตบอลปันเดียดาปิรดารชนาอีเดทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ เจอร์แมนทันดาอิงแลนดทันดดวิรุด้อาดุติดเดยใครกำลังนามยารูเกลลุตตาเร่ดิฉันไม่ทราบค่ะนันไม่กิดติล่ะตอนนี้เสมอกันอยู่สัตย์ที่เกยาววันตดักกูมุ่งหนาเดยล่ะ ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียมทีมพุการะเบลจียมเดชดวาวรุตอนนี้กำลังยิงลูกโทษอีกาเพนาลตีวอดตาเข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์โกลโวนดูสนเน